ธรรมะเป็นของสาธารณะทั่วไปธรรมะคือคำสองของรรพ ร, ระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้เห็นและเข้าใจธรรมะแล้วตามความเป็นจริงอย่างไรจึงได้เอาความจริงของธรรมะนั้นเรียกว่าสัจจะของจริงมาสอนชาวโลกอันนั้นเรียกว่าธรรมะคำสองของพ ร, ระพุทธเจ้า คือพระเจ้าเอาของจริงมาสอนนั่นเองยังเรียกว่าธรรมะทั้งสองพระเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเฉยๆแล้วเป็นของมีทั่วไปหมดอยู่ในสากลโลกเป็นธรรมะทั้งนั้นที่เราปฏิบัติคือปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองคือให้เข้าไปเห็นธรรมะไปรู้ธรรมะให้ถึงธรรมะนั้นเองธรรมะ คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่คนเราเกิดขึ้นมาจากของมีอยู่จากของเป็นอยู่ของไม่มีไม่ทราบเดี๋ยวใดมาเกิดมาเป็นเราสร้างบ้านสร้างเครื่องเราก็ต้องเอาของมีอยู่คือไม้ที่มีอยู่ในป่าอิฐคือก้อนดินดินมีอยู่แล้วปูนก็คือหินที่เขาเผา ให้มันสุกเป็นผงละลายออกมาก็เป็นของมีอยู่แล้วไม่ใช่ของไม่มีก่อนที่จะมาสร้างบ้านสร้างตึกรวัน้วาจะเป็นเอาของมีอยู่ทั้งนั้นมาสร้างนั่นเขเรียกว่าบ้านว่าตึกขึ้นมาแท้ที่จริงก็คือเอาของมีอยู่ได้กตธรรมะเข้าใจอย่างนี้จึงจะเข้าใจหลักของพุทธศาสนา ถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วงมงายหาธรรมะไม่เจอสักทีเลยพูดถึงเรื่องธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกันไปเอาตำรามาพูดอันนั้นกว่าธรรมะอันนี้กว่าธรรมะในผลที่สุดทะเลาะโตเคียงกันดังคนที่ปลูก บ, บ้านในร้ายหลัง เขาเรียกว่าตึกเขาเรียกว่าเรือนแฝกเขาเรียกว่าเรือนแบบโบราณมีเรื่องเรือนอะไรก็ตามเถอะเรือนมุมเรือนอะไรก็ตามเถอะทุกคนก็ถือว่าเรือนของตนเป็นของดีเรือนของตนมีค่าเรือนของตนนั่น อยู่ดีสบายเรือนของต้นสวยงามกว่าเรือนของคนอื่นเมื่อทุกคนมีเรือนคนละหลังไปอวดอ้างกันในผลที่สุดเมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะต้องโตแย่งการโตแย่งกันนะั่นะคือไม่เห็นด้วยกันถ้าหากรู้จักหลักเรือนบ้านที่เราปลูกสร้าง เหมือนกับคนเราแต่ละคนมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันมีเพศไม่เหมือนกันเมื่อเราแต่ละคนแต่ละเพศแต่ ล, ลักษณะมีไม่เหมือนกันเราไม่เข้าใจว่ามันเกิดมาจากของมีอยู่คือธาตุสี่ที่นำไปลบ ก็เลยอวดโอ้เลิศโต้แย่งซึ่งกันและกันว่าฉั้นละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคนเอาบ้านเอาเรือนมาอวดกันแท้ที่จริงบ้านแต่ละหลังเอาของไปอยู่มาสร้างดางังอธิบายมาแล้วบ้านแต่ละหลังที่สร้างขึ้นมานั่นแหละเบื้องต้นนับตั้งต้นแต่สร้างเสร็จหรื อ, อยังไม่ทันเสร็จ เริ่มสร้างก็มีอันที่จะต้องแปลสภาพไปโดยลําดับคือเก่าคำคลาดเหมือนกันกับคนเราตั้งแต่ปฏิสนธิคือเกิดที่ครัน้นเกิดครั้นในขันแปลสภาพมาโดยลําดับเรียกว่าคันแก่ทอก็จเจริญ ง, งอกงามมาแต่แท้ที่จริงคือความเสื่อมตามหลังมานั่นเองบ้านเรือนก็ฉชนนั้นเหมือนกัน คนที่ไม่เห็นสภาพเช่นนี้แล้วชีวิตคือร่างกายของคนเราไม่มีสาระเพียงแต่เกิดขึ้นมาแล้วค่อยแปลสภาพไปเรืยลดับหาสาระอะไรไม่ได้ผู้ที่มารู้เท่าแลวรู้สึกในเรื่องเหล่านี้แล้วตามเป็นจริงอย่างที่ว่ามาจะต้องเอดเือดร้อนคี้ว่าจ้องรีบเร่ง ประกอบการงานที่ตนจะพึงได้และปลา่าเคือชีวิตที่ยังเหลืออายกนั้นรีบทำเถอะเหมือนกับคนที่ทำงานในป่าหรือในทุ่งในไร่ก็ตามเถอะเพราะเห็นตะวันบ่ายลงไปมันจวนจะมืดจะข้ามจะรต้องรีบร้อนการงานนั้นนะให้มันเสร็จสะ จะไม่ได้ค้างคางจะไม่เสียเวลางานจะไม่ได้เสียคนถ้าหากว่ารู้สึกโดยในเทธิบายมานี้มีการเสื่อมไปโดยลำดับเสื่อมไปหาความสิน้นความดับและเป็นผู้ให้ประมาทได้ชื่อว่ารู้จักคุณค่าในชีวิตของตนที่ตนได้ชีวิตมา เพราะฉะนั้นทุกคนหากว่าพากันเข้าใจเลยโดยในทีติบานยนี้แล้วทุกคนพากันตั้งใจปฏิบัติคือมุ่งหาจุดหมายปลายทางคือต่างคือความต้องการค้นจากผมเกิดแก่เจ็บตายคือค้นจากอันที่มันแปรสภาพอี่ามันไม่อยากได้อาการที่แปรสภาพอย่างนี้มันจะรุดสุดโสมไปทุกทุกวันนี้ เมื่อไม่ต้องการอย่างนี้ก็ม่มีหนทางอื่นใดนอกจากจะรีบเร่งประกอบภารกิจคือคุณงามความดีได้แก่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตในให้สงบตั้งมั่นใจเป็นของมีเป็นของเป็นสาระในร่างกายของตนถ้าไม่มีใจอย่างเดียวแสดงไม่มีค่าเลยคนเราแต่สาระคือใจของเรานั่นแหละ มีสาระอยู่คือมีสาระเรียวกว่าสาระคือแก่นสารมีสาระอยู่แต่วยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับต้นไม้มีแกน่นไม้เป็นดู๋ก็ดีไม้ขยุงก็ดีไม้แต่เคียนก็นดีแกน่นซึ่งว่าเป็นของมีแก่นเป็นของแข็งในต้นไม้ต้นนั้น แต่ว่าคนไม่ม า, าทําไม่เอามาทําประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแก่นคือใจของคนเป็นของเป็นแก่นของกายก็จริงเลแต่หากเราทําไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์ใจงเราเข้าถึงความสงบก็ได้ชื่อว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ใจของเราถ้าหากก็ฝึกฝนอารมณ์ไม่เข้าถึงความสงบได้แล้ว ใช้ใจได้ใช้ใจให้ประกอบคุณงามเพความดีใช้ใจให้งดเว้นไปจากคมชั่วไม่อยู่ในอำนาจของใจใจมันโกรธแล้วก็พอกลอยโกรธไปตามมันอิจฉาคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นยกโทษนินทาคนอื่นกล่าวลายคนอื่นซ่อเสียดคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่น นิจใจมันบังคับเมื่อใจบังคับปากมันก็ต้องไปด้วยกายมันก็ต้องไปด้วยอันนี้เรียกว่าใช่ไม่ได้สาระคือแก่นของกายมีอยู่ในเกยรตใจเราพึกฝนไม่ได้มันเลยใช้เราแบให้ทำคผามชั่วความชั่วนั่นก็เหล้วไหลเลอะเทอไปเมื่อกายพึกฝนและอบรมบังคับไม่ได้ ก็เลยไปสร้างความชั่วคือกรรมเร็วสามหรือบาปขึ้นมาอีกก็จะได้แต่ความชั่วอยู่ล่ําไปเลยไปประสบผลคือคุณงามความดีได้เกิความสงบสักทีนี่แก่นมีแกน่แกนแล้วจะใช้แก่นไหมพบแก่นแล้วจะใช้แก่นไม่ได้มีแก่นแล้วจะเอาแก่นแตใช้ไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนเข้าถึงความสงบพบลมใจของเรามีสมาธิหนักแน่นมั่นคง รู้จักอาการของใจมันคิดเกลียดคนอื่นมนเพราะอะไรมันโกรธคนอื่นมนเพราะอะไรมันเยกทอดนินทาคนอื่นมาเพราะอะไรมันกระทบกระเทือนคนอื่นเยียดหยามคนอื่นมาเพราะอะไรเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกขณะ โกรธคนอื่นเพราะความไม่พอใจในคนคนนั้นแล้วก็เกลียดเขาอีกบางทีเขาไม่รู้ซ้าว่าเราเกลียดแต่เราไปเกลียดเขาจนได้เสียดสีคนอื่นกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียดหยาบคนอื่นนินทาคนอื่นทั้งที่คนนั้นน่ะเขาก็ไม่รู้สำ้ำ คนอื่นที่ทําไม่ถูกกับใจของเรานะเพราะใจเราไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วทําดีก็ไม่ถูกทาชั่วก็ไม่ถูกถ้าใจเราสงบแล้วเรารู้เขาทําดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาทําชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่จ้องไปเกี่ยวก่อกรบเพาแล้วก็อบรมใจของเราได้อย่างนี้สงบอย่างนี้มันก็ไม่มีเรื่องต่อไปคู้นั้นได้ชื่ว เอาใจมาไว้ในบังคับของตนมันจะโกรธหรือมันจะเกลียดเหยียดหยามแล้นินทายกโทษคนอื่นมันก็ไม่ทําเมื่อไปทํากรรมคือความชัว่วมันก็ไม่มีขึ้นมาอีกต่อไปมันก็มีหันทานที่จะนําตัวของเรานี่ให้ใกล้ต่อของพนทุกข์ใจค่อยบริสุทธิ์นทุกทีทุกทีมันก็ใกล้ทานที่จะพ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นในการที่อธิบายในเบื้องต้นให้รู้จักธรรมะคือตัวคนเรานะเป็นเพียงธาตุสีด่ดนน้ำไปลงใครจะว่าคนใครจะว่าสรรรัตว์ใครจะว่าอะไรก็แค่นั้นเนี่ยเหมือนกับคนที่ไปเห็นบ้านมีแบบแผนแปนอิมไบแอ น, น, น, น, นต่า ง, ง, งๆก็ไม่พ้นจาก ไม่ดินน้าไปลงคนเราจะไปง่ายเลนคนอยากดินน้าไปลงถ้าเราเข้าใจตามเป็นจริงนี้แล้วคนที่เราไม่พอใจคือก้อนดินตัวเราก็คือก้อนดินก้อนดินน้าไปลงที่เราพอใจไม่พอใจก็คือไปโทษแล้วม่นินทากก้อนดินนั่นเองเมื่อเราไปก้อนดินเดียวก้อนดินมันดินทาธรรมดาก้อนดินเดีก้อนดินมันไม่มีอะไรกันเลย ยังก็อนอิไปกองไว้จังเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไปเห็นพูดอะไรกันไม่กระทบกระเทือนเบีเบียนกันเลยกันใจตอวนั้นนะมันไปกระทบกระเทือนเบีเบียนกันเห็นนั้นจึงควรบํารุงควรรักษาใจอบรมใจให้เข้าถึงความสงบบัรคัดใจได้เรียกว่าพรู้เท่าเห็นธรรม เข้าใจถึงธรรมคําส า, าพวพระเจ้าสอนอย่างนี้สอนให้เข้าถึงธรรมเพราะพระเดชเจ้าท่านจิตใจของท่านอยู่สม่ําเสมอพระเห็นสภาพของธรรมดังอธิบายนะฮะท่านยังเปรียบเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินนะใครจะเหยียบจะย่าใครจะขุดจะพังหรือใครจะถ่ายอุจจาระปัวะบ้วนน้ำมูกน้ำลายยลงไป มันก็ม่มีความรู้สึกอะไรแผ่นดินเลยได้ความสบายบางคนโกรธแผ่นดินจนหน้าดำหน้าแดงเพราะเหตุไปตกลุมตกลบเพราะเหตุไปสะดุดก้อนหินเนื้อหัวไม้เนื้อเปชโกรธเอาดินมันก็เฉยก้อนหินมันก็เฉย ต้นไม้มันก็เชิดเราโกโรธคนเดียวแล้วเดือดร้อนคนเดียวหากว่เกิดความโกโรธโทมันน่ทุบต่อยดินลงไปเลื่อไปทุบหินชกต่อยหินหินมันก็ไม่กระเทือนมันก็ไม่เกียดโกโรธต่อนอกจากเราจะเจ็บตัวเราเองเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะเข้าใจถึงหลักหลักธรรมจงพากันฝึกฝนอบรมถึงเรื่องธาตุปิจนาถึงเรื่องธาตุให้เห็นสภาพตามเป็นจริงโดยนายเทติบายมานี้จึงจะเข้าถึงหลักธรรม